พความเจริญในธรรมจุงมีแต่ท่านพูกฟังทั้งหลายแต่ลงปโปติยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาวยามัในข้อภาวนาประทานกับอนุรักษณ า, าประทานอยู่พูดง่ายๆว่าเป็นการกล่าวถึงการจเจริญกุศล ส, ส่วนเหตุซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ส่งเสริมสนับสนุนกันระหว่างประทานสองอย่าง ก็หมายความว่าเป็นการพัฒนาความดีและรักษาความดีนั่นเองมีธรรมะประการหนึ่งที่น่าจะมาประรบกันอีกชุดหนึ่งก็คือธรรมะที่มีอุปการะมากตกข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเราจะเห็นว่าคำว่าปะมหาเนี่ยมันเป็นสุดๆเลย คือกระแสนี่มาแรงมากแล้วก็รู้เหตุผลต่างๆอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลมสักเพชรบูรณ์เราจะเห็นว่าที่จริงก็เหมือนกับที่พิปูลที่นครจีตมราชแนวเดียวกันเลยทั้งแนวเลยนะมาแนวเดียวกันนนเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถที่จะเป็นบทเรียนแล้วก็ระมัดระวังสำนึกสำเนียกของคนทั้งหลายได้หรือถ้าเราติดตามข่าวกรมบุตรนิยมวิทยาเนี่ยมีตักเตือนล่วงหน้าถึงแปดครั้งแปดวันนะฮะออกประกาศถึงสีห้าฉบับแต่ว่าคนก็ยังประมาท แนนอนปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ซ้ำซากไม่ใช่ว่าจะเกิดเฉพาะที่พิปูนหรือว่าที่ลมศักแต่วันจะเกิดได้ทุกส่วนของโลกแล้วไปนี้รสีนี้รู้สึกว่าภัยธรรมชาติเนี่ยคนแ้งแรงชอ่ยวกลมันกันจะเป็นเพราะเหตุอะไรก็ตามแต่ว่าส่วนหนึ่งในี่มนุษย์ไปสร้างความเสียสมดุลของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่า ตัวแหล่งน้ำลำธารต่างๆบนภูเขาต่างๆไปขุดไปค้นไปทําลายไปสร้างไร่แล้วฝนตกน้ำก็ไปขังอยู่ข้างบนจมนวนวมหาศาลถ้ามันขังไม่ได้มันคงจะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอมันพังลงมาเนี่ยมันก็ใครก็ช่วยไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้เคยคุยกับพระครูที่ชวงังเหตุการณ์ข่านน้ำท่วมใหญ่ที่พ่ปูนเนี่ย ท่านบอกว่ามันมาทีเดียวเนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยมันมามันคล้ายๆกับหน้าผาชันมันเลื่อนมาท่านบอกวันหนีขึ้นชั้นสองชั้นสามต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาเลยหนีไม่ทันแล้วก็มีบางองค์เนี่ยสบงจวอนนี่หมดเลยเนะต้องไปขอผ้าชาบ้านก็นุ่ง ม, มันรุนแรงขนาดนั้น แต่ถามมาอะไรมันองค์ประกอบนะั้นมันหลายหลายเรื่องเราเห็นว่าคนที่ประสบปัญหาส่วมากไม่จะได้สร้างเหตุแต่คนสร้างเหตุเขาก็ไม่กคยประสบปัญหาไอ้คำว่าอิทธิพลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมไม่จัด ก, การแก้ไขกันกทักเทียรู้กันมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังอิทธิพลอยู่เบื้องหลังอิทธิพลนั่นคืออะไร คือเจ้าพ่อนักเลงโตวัวไม้หรือว่านักการเมืองใหญ่อะไรต่อไดนนายทุนมักใช้กับว่านายทุนกับอิทธิพลอยู่เบ้างหลังเนี่ยมันสร้างอาณาจักรของความกลัวขึ้นมาได้ยังไงบันเทิงก็มีคือมีแปลมีกฎหมายเนี่ยผิดกฎหมายก็ดําเนินการตามกฎหมายแต่ทําไมปล่อยให้อิทธิพลมาตัดไม้ทําลายป่า ก, กันได้สบายสบายอย่างนั้นมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะแล้วคนที่พูดก็คือคนที่รับผิดชอบเนี่ย แสดงว่าในวงจรตรงเนี้ยมันมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอีกเยอะคือจับใดที่คนยังไม่ได้พัฒนาจิตใจของตัวเองให้มีสํานึกสํานึกคุณของแผ่นดินพูดง่ายว่าถ้าเราสํานึกคุณของแผ่นดินได้เนี่ยปัญหาต่างๆมันจะลดลงไปแต่ว่าเหตุการณ์รุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเรื่องของความประมาท แในความประมาทนั่นก็คืออะไรก็คือขาดสติพูะเจ้าทรงสแสดงธรร ม, มา ส, สองข้อซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะธรร ม, มา ส, สองข้อนี้ขับเคลื่อนจิตบุคคลไปสู่นิพพานเลยนะคนที่ทำได้สมบูรณ์คือพระอาหารหันต์เท่านั้นเองคนทั่วไปจะทำไม่ได้สมบูรณ์หรอกนั้นก็คือสติพูดง่ายๆนะสติความระลึกได้พูดง่ายแต่มียากที่สุด คนส่วนใหญ่มักขาดสติเขาเรียกว่าสติสัมโมสาคือหลงลืมเละเลือนขาดสติมีความเผลเอเลอหลงลืมเละเลือนจนถึงกับประมาทัวเมาไปเพราะในการขาดสติกับความประมาทที่จริงเป็นอันเดียวกันสติเป็นธรรมะที่ปลุกคนให้ตื่นขึ้นแต่คนจะต้องมี ระลึกได้อย่างน้อยในสองจังหวัด น, นะเพื่อแต่เราเทียบสติในส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดเรื่องระลึกได้นะหมายความระลึกเรื่องต่างๆก่อนจะทำก่อนจะพูดแม้แต่ก่อนจะคิดี่ได้ก่อจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรแต่วันมันต้องมองทะลุผ่านไป คหลักการสําคัญเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเราอาศัยโครงสร้างการส่งภาษาวกไปประกาศาศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราถ้าเรียกเป็นประโยชค์คำถามเนี่เราจะเห็นเลยว่าไปแสดงอะไรแสดงแก่ใครแสดงที่ไหนแสดงอย่างไรแสดงแล้วเนี่ยผู้ฟังจะรับประโยชน์อะไรเราก็ได้คําตอบว่าแสดงธรรมะแสดงแก่ใครก็ไม่รู้ก็ต้องไปเจอกัน แสดงอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพืชเพจริตอัตยาสายของผู้ฟังฮะแสดงแล้วเนี่ยไอที่ไหนก็อีกแล้วที่ไหนก็ว่ากันไปแสดงแล้วเขาจะรับประโยชน์อะไรเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของการสอนธรรมะของการแสดงธรรมันเพราะงั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยสติมันต้องเหนียวไปไกลมันต้องมีลักษณะของการฉุกฉุกคิดฉเฉลียวคิด เกิดสำนึกสำเนียกเระมัตระวังเกิดมาทีนี้ในขณะรมในขณะพูดในขณะคิดเนี่ยสติมันจะมีลักษณะประคับประคองเขาเรียกว่าทารนาคือประคับประ ค, คองไว้คล้ายๆกับเราถือภาชนะสำนวนบาลีเนี่ยท่านมักจะยกบาตรนะคือเหมือนกับพระที่ถือบาตรซึ่งเต็มด้วยน้ำ ทำยังไงจะประคับประคองบาดไม่ให้กระชอกแม่น้ํากระชอกแล้วหกเรามาได้มันคือสติในลักษณะนั้นหมายความว่าปัจจุบัจริงๆมันอยู่กับปัจจุบันนะขณะแต่ว่าทุกอย่างแหละมันก็ต้องผ่านอดีตมาเพราะถ้าหากว่าไม่มีอดีตเราก็ระลึกไม่ได้ไอ้ตรงนี้มันเป็นกระบวนการทางจิตที่ยังไม่เห็นด้วยกับพวกกรมวิชาการหรือพวก สภาการศึกษาพวกปฏิรูปอะไรต่ออะไรที่เขาว่าเนี่ยคือต่อต้านเรื่องท่องจําเนี่ยมาเองอย่างนึกไม่ออกว่าเรียนอย่างไงไม่จำแต่ให้เขาอธิบายก็ไม่เห็นใครอธิบายได้เพราะจริงความจําเนี่ยมันเป็นเหตุเราระลึกถ้าเราระลึกไม่ได้เนี่ยหมายความว่าถ้าเราจําไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรให้เราะล็กแล้วคุณจะทำอย่างไงคุณจะพูดอย่างไงคุณจะคิดอย่างไงนายคุณคิดไม่ได้ พอเราไม่มีหน่วยความจําอยู่เพระสติเนี่ยมันเป็นตัวระลึกแต่ระลึกเนี่ยจะ ต, ต้องมีสิ่งให้ระลึกการจะมีสิ่งให้ระลึกนั้นมันต้องเรียนรู้มันต้องมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสคือการรู้รูปทางตารับเขียงทางตารับรับรูปทางตารับเสียงทางหูรับกลิ่นทางจมูกรับรสทางลิ้นรับเย็นร้อนอนแข็งทางกาย แล้สะสมเป็นข้อมูลมากเท่ไรได้ยิ่งดีเป็นสัญญาขันแล้วก็เสร็จแล้วจากข้อมูลเหล่านั้นก็นําไปสู่การคิดตอนนี้สติจะเป็นตัวระลึกมันต้องมีให้เระลึกอะถ้าไม่มีให้ระลึกมันจะทําไม่ได้แต่ทีนี้การที่เราจะจําเนี่ยมันชั่หนึ่งเนี่ยบางทีก็จําในเนื้อหาหลังหลัง แต่บางอย่างไปจําอย่างนั้นไม่ได้ต้องจําทั้งหลักเลยทั้งหมดเลยทุกตัวอักษรเลยพลาดนิดเดียวไม่ได้เห็นไหมมันก็เป็นสูตรเป็นบทเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ่าเดี๋ยนี้นักวิจาัการทั้งหลายบางทีก็โจมตีพระว่าไปพูดใช้ภาษาบาลีพูดบาลีตัวที่ตัวเองพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แปลนะไม่ได้บอกคือพระต้องยกตรงยกหลักตรงนั้นมาพอเราทําหน้าที่สนองงานพระพุทธเจ้า เราไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแสดงธรรมะเอาเองนะฮะคือว่าเอาเองเนี่ยมันไม่ใช่ภาระหน้าที่เพราะงั้นสติที่จะระลึกได้เนี่ยมันต้องมีสิ่งให้ระลึกแต่สิ่งระลึกก็คือสัญญานั่นเองที่เราจํากลีจวจำแล้วก็นํามาระลึกเพราะงัถ้าอะไรเราจําเราระลึกไม่ออกไม่ใช่คือถ้าเราไม่จําเนี่ยเราระลึกไม่ได้นะไม่ใช่ระลึกไม่ออกคือระลึกไม่ได้เลย มันต้องมีหน่วยความจําอยู่ภายในใจเรานั้นก็คือกระบวนการของจิตที่รับอารรรับอามณ์ทางประสาทสัมผัสทึ่เรเรียกว่าวิญญาณแล้วก็จําไว้ภายในจิตที่เราเรียกว่าสัญญาแล้วก็นํามาคิดเนี่ยเราเรียกว่าจินตนาไอ้ตัวเนี้ยธรรมะจะเป็นคิดจะเป็นสังกปะจะเป็นวิตกจะเป็นอะไรก็ตามมันอยู่ที่ตรงเนี้ยก็คือพวกพวกตัวเนี้ยเขาเรียกว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ที่อยู่กับจิตคือจิตก็จําไว้เนี่ยแล้วเรานํามาคิดนํามานึก นำมาดำรินำมาวิตกก็แล้วแต่จะเรียกกันนะฮะแต่งานของสติที่จะเหนียวระลึกที่จะหวนระลึกที่จะย้อนระลึกที่จะระลึกทันเพราะฉะั้นถ้าเราพูดเป็นภาษาไท ย, ย ง, ง่ายๆเนี่ยว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องระลึกให้ได้ระลึกให้ทันแล้วก็เนื้อให้ออก มันเป็นขนาดสั้นๆห่างกันระลึกได้เนี่ยเป็นเรื่องอดีตระลึกทันเนี่ยเป็นเรื่องปัจจุบันนึกออกเนี่ยเป็นระลึก อ, อดีตอดีตใกล้หมายความมาทําเสร็จไปแล้วพูดเสร็จไปแล้วเนี่ยนึกออกเช่นสมมติว่าคนมาถามเราว่าวันนี้วันอะไรสมมุติเราเป็นวันศุกร์เราจะบอกว่าเป็นวันศุกร์แต่เพือบอกไปเป็นวันเสาร์เนี่ยระลึก อ, ออกก็พูดผิดเราพูดใหม่ ปัญหายังไม่เกิดขึ้นในแง่ของสีนเนี่ยท่านถือว่าเป็นการพลัง้งเป็นการพลาดไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดศีลนั้นสติจึงจําเป็นจะต้องมีมากท่านเรียกว่าพันสติมาคือมีสติในความลองสังเกตว่าธรรมะพอถึงจุดหนึ่งนี่จะมีคำว่ามีอยู่มันเหมือนกับอะไรเหมือนกับเรามีเงินนึกจะใช้ก็ใช้ได้เรามีปัญญา ออ น, นี่จะโต้ตอบนึกใจเกียรเขียนนึกจะพูดจายเราก็ได้มีความรู้มีความสามารถมีฝีมือมีคุณธรรมอะไรแต่อะไรต่างๆมันต้องมีทั้งนั้นแล้วลมีเราต้องอยู่กับเรานะคึับเวลาเนี้ยไอหน่วยความจําที่ไม่ให้จำเนี่ยยังนึกว่าเอาฝากปัญญาเอาปัญญาไปฝาก ไ, ไว้คอมพิวเตอร์หรือยังไงแล้วก็เสร็จแล้วพ ว, กว้กำลังก็ส่งคอมพิวเตอร์มาให้เรานั่งจิ้มเอาแล้วก็สมองก็มีแต่ขี้เลื่อยคือไม่รู้คิด ย, ยังไงอ่ะยังยังยังนึกไม่ออกเราอาจจะโง่ก็ได้นะะ เขอาจจะฉลาดเกินไปจนเราเรื่องไม่ถึงก็ได้แต่นึกไม่ออกจริงๆนะฮะว่าถ้าเราไม่มีความจำํำเราจะนึกได้อย่างไงเพราะจริงๆมันเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจำวันบางคนบางคนเนี่ยเราจําไม่แน่นเนี่ยเราก็คลั่งคลายคร่คราแต่นนั่นเองคนบางคนที่เราไม่เคยจําไม่เลยเนี่ยเราก็รู้จัก รู้จักจะคิดได้ไงว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหนมีหน้าที่การงานยังไงตอบมาถามมา20คำก็ผิดตั้ง20คำามะนะมันตอบไม่ได้อะบางทีอาจจะตอบได้นิดหน่อยนะฮะเจนเ็าแต่งเครื่องแบบมาเนี่ยอาจจะบอกได้นะแต่ว่าอย่าลืมมาบอกจากสัญญาในอดีตเนะี่ยบอกจากสัญญาในเรื่องรูปแบบที่มันเหมือนกันนะนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความเรารู้จักคนนั้น เราใส่รูปแบบก็แต่งชุดทหารบอกมาเนี่ยเราก็บอกเขาเป็นทหารเนี่ยซึ่งก็ไม่แน่จะเมือไปนะอาจจะมีคนปลอมเป็นทหารก็ได้เดินทางไปเพราะสติเวลาเนี่ยมันมีปัญหาใหญ่ที่เราไปเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายอย่างวันก่อนที่มีอะไรช่างพิมพ์ไปล้วงอะไรแล้วก็มือไอเครื่องมันไปติดเอาต้องตัดแขนนี่ย น, นะ แล้วก็เจอบ่อยวังก่อนเนี่ไปอบรมที่ อ, อะไรองค์การฟอกหนังรู้สึกจะเลิกไปแล้วทุกวันนี้ก็พบว่าเด็กเี่ยมีมือขาดนิ้วขาดแขนขาดนี่เยอะเลยมันไม่มีอะไรเลยนะฮะนอกจากขาดสติคือการทําอะไรกับเครื่องยงนต์กลไกที่จริงเป็นเรื่องต้องระมัดระวังแล้วเราก็อยู่กับเครื่องยงนต์กลไกเยอะในปัจจุบันในแม้แต่หุงข้าวมันก็มีเตาแก๊สซึ่งก็เสียงเสียงไม่ใช่ธรรมดานะฮะ หรือบางทีก็แก ร, ระเบิดมันก็ตายเพราะในการฝึกปลื้มสติเนี่ยไม่มีความจําเป็นแต่ถ้าเราสังเกตเวลานี้เขาเรียกว่าคนสมาธิสั้นเนี่ยคือโนขาดสติบางทีเรื่องก็ลืมไปละแล้วก็ในฐานะที่สอนหนังสื อ, อยเยอะๆเนี่ยสอนหนังสือเด็กทุกชั้นเนี่ยมันก็มองดูว่าเด็กวัยเนี่ยความจำไม่แม่น มนาจจะไปเชื่อสภ า, าการศึกษาหรือสอปสก็ไปด้วยนะฮะาการมอิสระแต่ว่าความจําเนี่ยไม่เคยแม่นเลยเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะเวลาไปทําอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาเลยเราเคยทดสอบความจําโดยเฉพาะอย่างพระภิกษุสามเณรที่เราสอนในหมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไปถามความรู้ต้นๆควารู้ธราทำจีโทเอกเนะี่ยส่วนใหญ่ก็ถามจีโทเอก เนี่ยตอบกันไม่ค่ได้นั่นคือแสดงว่าไม่มีหน่วยความจําสติจึงระลึกไม่ได้ระลึกไม่ได้ก็ตอบไม่ได้กระบวนการนี้ก็ล้มทั้งกระบวนการเลยสติจึงเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเราขาดสตางเนี่ยเราสามารถจะไปจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้แต่เราขาดสตินี่แม้เดินข้ามถนนก็ไปไม่รอดแล้วเวลาเนี้ปันปัน ปัญหาเรื่องขาดสติเป็นปัญหาที่แรงแล้วเรารู้ข่าวอุบัติเหตุกันในแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยนะเราไปอ่านตัวเลขจากทางตำรวจเขาเรื่องอุบัติเหตุเด็กหนุ่มเด็กสาวที่เกิดอุบัติเหตุก็กลงมากขึ้นแล้วก็อยู่ในวัยที่เจริญนะกำลังวัยที่เจริญที่จะเป็นประชากรของชาติบ้านเมืองโอากาสต่อไปก็อุบัติเหตุก็มาทาลายชีวิตกันไปหมด และนี่ก็คือเรื่องสติที่จำเป็นจะต้องฝึกปือจะต้องสร้างสติให้มากแ่วมามีโครงการอบรมนักเรียนในโรงเรียนตรีวิทยานะกับที่ทางโคราชทางว่าปู้แก้วโรงเรียนตรีวิทยานั้นเขาคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่จะเข้าค่ายเลยจะอาเด็กเข้าค่ายไนดะ้เพราะว่าเอาเด็กมาเรียนที่วัดเนี่ยมันวันหนึ่งได้ไม่กี่นาทีอะ แล้วก็เสียเวลาตั้งเกือบสองเดือนถือเวลาไม่ใช่เกือบสองเดือนนะฮะเกือบสามเดือนไปลแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับคนลูกอ่อนนะเป็นอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเข้าไข่เนี่ยไข่แล้วสามสี่คืนนะใส่สี่วันสี่คืนนะสี่วันห้าคืนอะไร่ะไรเนี่ยแต่ไม่ถึงก็อยู่โรงเรียนเนาะ ก็คิดว่าภาคเช้ากับภาคบ่ายเนี่ยมันก็มีกิจกรรมอะไรที่ทําตารางกันมาได้เยอะก็เสร็จแล้วก็ตอนบ่ายตามปกติเวลาปกติอาจจะอาจจะเย็นไปหน่อยกัเด็กกับบนันเลืกฝึกสติเป็นหลักก็เน้นที่ฝึกสติเลยจะหมุนวนอยู่ตรงนี้ยจะพูดเรื่องจิตจะฝึกเรื่องจิตสามสี่เรื่องแต่เองคือคื อ, ค, อคือเราไม่เอามากหมายความมีสติในการรับอารมณ์ มีสติในการจำอารมณ์แล้วก็การคิดเรื่องต่างๆตลอดถึงการพัฒนาความรู้ขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่าศึกษากระบวนการหนังจิตอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆแต่ว่าทำไม่ได้ง่ายนะคือต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็สติยังมาคู่กัสบสัมมาชนญา คือตามปกติแล้วถ้าเราไปสังเกตองค์ธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยเราเจะเห็นว่าถ้ามีศรัทธาเนี่ยต้องมีปัญญาแต่บางทีเนี่ยมีสติเนี่ยไม่ต้องมีปัญญาหรือมีปัญญาก็ไม่ต้องมีสติแต่ต้องรู้ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเขาเกิดพร้อมกัน เ, เกิดด้วยกันนะเกิดด้วยกันคือส่งเสริมสนับสนุนกันเจติเป็นตัวระลึกคล้ายๆกับเราระลึ ก, กว่าจะเขียนคําว่าประเทศไทย ในค่ะในขณะที่เขียนเนราลึกทันแล้วก็รู้นะเขาเรียกว่าบางทีเรียกว่าเราลึกรู้เพราะนิสัยจัญญาจึงเป็นงานของปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาที่มีความต่อเนื่องจะต้องพัฒนาให้เกิดความรู้ในสีเรื่องใหญ่ๆ ใ, ในประสบการณ์ในชีวิตประจําวันประสบประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ที่เราเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการทางจิตเนี่ยต้องสามารถจำแนกแก้แกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เขาเรียกว่าสัตตะกะสัมมัญญาคือไม่ต้องไปติดใจคำบารีนะฮะแต่หมายความว่าปัญหาสำคัญว่าเวลาทํางานประสานนำหันกันเราลองสังเกตว่าปัญหาไอ้พวกมลพิษตั้งยเนี่ยนะสติเราไม่ดีพอปัญญาเราไม่รอบรู้พอ เช่นสมมติเราได้กลิ่นที่เป็นพิษเนี่ยซึ่งบางทีมันมาหอมมาเลยนะเคยถามนักวิทยาศาสตร์ว่าจะแก้ไขกลิ่นทินเนอร์จะหน่อยไม่ได้เลยคือทำให้กลิ่นมันเหม็นฉุนย้ายเด็กเอาไปสูดดมแกบอกว่าที่จริงทำได้แต่มันจะมีปัญหากับช่างทา ส, สีบอกเออจริง คือเรแก้ปัญหาที่จุดหนึ่งไม่ต้องการนั่เด็กไปสูตรทินเนอร์นะแต่มันเป็นปัญหากะช่างทาสีเพราะว่าทาสีมากๆเข้ามันก็สูตรป่นนี้ไปอาจจะหล่นลงมาได้เลยก็เลยก็แก้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆมันเจตนาเขาต้องการให้เป็นสมบสัติศีเท่านั้นแต่ใช้ไปนในกิจกรรมไม่ใช่เอาไปสูตร แต่ทุกวันข่าวทินเนอร์ลดลงไปเยอะนะฮะข่าวยาบ้าเนี่ยมาแรงนั่นก็คืออะไรก็คือว่าปัญญาเราต้องรู้ว่าอะไรมาเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เราต้องรู้ไวนะะลึกระลึกรู้นะเช่นเช่นสมมติว่าเราได้กลิ่นไม่สะอาดเนี่ยเราต้องอั้นลมหายใจได้ทันทีสติเราลึกรู้ว่ากลิ่นนี้ไม่ดีปัญญาวินิจฉัยทันทีอั้นลมหายใจเรารีบรีบออกจากตรงนั้นไปหรือการเห็นบางเรื่องเนี่ย ดูไปมันก็มีปัญหาคือรู้ไปก็มีปัญหาเราก็พยายามตัดตัวเองออกไปคือไม่ไปดูไม่ดูเสีบ้างไม่พูดเสีบ้างไม่ฟังเสีบ้างและนี่ก็คือหมายความว่าสติกสัมปชัญญะเขาเขาแยกแยะในเรื่องประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้ชัดเจนประการต่อไปนั้นก็คือเรื่องสถานที่ที่ควรไปหรือไม่ควรไปก็เ ร, รีกยกโจรัสปชัญญะ ควรไปไม่ควรไปควรดูไม่ควรดูควรฟังไม่ควรฟังควรกินไม่ควรกินนะฮะควรจับต้องไม่ควรจับต้องควรเหนียวนึกจึกนึกหรือไม่ควรเหนียวนึกจึกนก็แสดงว่าลักษณะทางอารมณ์บางอย่างเนี่ยมันต้องถามตัวเองว่าคิดไปทําไมคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ต้องคิดมัน ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องรู้อะไรเนี่ยเป็นที่สบายหรือไม่สบายแก่ตัวเองอาหารยังไงเป็นที่สบายเวลาเนี้ยปัญหาอะไรบางก่นดูตัวเลขว่าคนไทยคนไทยจ่ายเฉพาะที่กรุงเทพนะจ่ายค่าอาหารของฝรั่งแล้วก็ไม่ไปถูกกับท้องทสยของตัวเองเนี่ยหมดไปปีหนึ่ง อะไรหกร้อยล้านอะไรเนะ่ยเฉพาะกรุงเทบนะเวลาไปซื้อขนมขลังกินไปซื้อพิซซ่าไปซื้อฮอทดอกไปซื้ออะไ ร, อไรต่างๆอาหารของฝรั่งนะซึ่งว่าทีจริงมันไม่ถูกกับคนไทยเพราะเป็นอาหารเมืองหนาวแล้วก็มีไขมันสูงก็ทําให้คนเป็นโรคอ้วนอ่ะเวลาเนี้หมอเขาวินิจฉัยได้แล้วว่าไอ้อ้วนเนี่ยจริงมันเป็นโรคเป็นโรคชนิดหนึ่ง ถึงทำให้ร่างกายเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะอ่อนแอจะขุดจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินก็นลําบากเพราะในสิ่งเหล่านี้ต้องรู้อาหารอะไรเป็นที่สบายที่อยู่ตรงไหนสบายอากาศตรงไหนสบายบุคคลตรงไหนสบายเนะี่ยแล้วจะทําอะไรแต่ละข่าวในแสดงว่าต้องใช้สติสัมปชัญญะเยอะที่แน่นอนที่สุดคือต้องปัญญาเนี่ยต้องขจัดตัวหลงได้ ก็เรียกว่าสัมมหะสั ม, มชัญญาคือเป็นปัญญารู้กลัวทั่วพร้อมโดยไม่หลงไปตามกระแสตามอารมณ์ตามเรื่องราวต่างๆแต่จะเห็นว่าสติสัมยัญญาที่จริงเป็นธรรมะที่สอนในหมวดแรกในข้อแร ก, ข อ, แรกของหนังสือโนโกว่าแต่เราปัญหาขาดสติสัมยัญญานี่จะมีปัญหามากและค่อนข้า ง, างทาวล ดังนั้นทํายังไงจะเป็นการเพิ่มผลสติสัมจัญยะให้สูงขึ้นพยายามเจริญสติมีสติในการคิดในการทําในการพูดก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดขณะทํขาขณะพูดขณะคิดหลังจะทําหลังจากพูดหลังจะคิดไปแล้วเนี่ยมีสติสัมจัญญะที่ต่อเนื่องแน่นอนอาการเหล่านี้ถ้าเราฝึกเปลือให้ดีเนี่ย มันก็อาจจะแก้โรคใหม่ที่กำลังแพร่หลายอยู่ที่เรียกว่าโรคอัลไซเมอร์อะไรนี่แต่ถ้าเราขาดการฝึกปรือซึ่งบางทีเนี่ยไปยังนึกเลยจะเจออาจารย์กรรมฐานบางคนเนี่ยท่านขี้ลืมก็แสดงว่ามันมีอาการทางกายผสมอยู่ด้วยก็แสดงว่าประสาทูนย์สมองมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่ง อบกการจะระลึกอะไรเนี่ยที่จริงก็ต้องอาศัยประสาทอยู่นะถ้กว่าประสาทเป็นที่ทํางานของจิตมันมีความบกพร่องไปก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าเราพยายามเจริญสติไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็แก้จุดอ่อนตรงนั้นไปได้เพียงแต่ว่าทํายังไงจะเพิ่มพูนสติจนขจัด หลงลืมเลื่อือนได้แล้วก็ปัญญาก็จัดความงมงายได้เหตุผลต่างๆลงไปได้อย่างน้อยเนี่ยระดับสินธรรมจัญญาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งแล้วท่านฟังทางหลายแต่โรกมาโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทางหลายโดยโทั่วกันสวัสดี